ปกติเขาเามีดินเนอร์ทองนะมีคนนิมนต์พยายามนิมนต์ตมาไปดนะินเนอร์ทองไปพูดแต่ก็ไม่สะดวกเพราะว่าไปพูดแล้วตมาก็ฉันอะไรไม่ได้นะแต่ว่าถ้าร้านทองนี่ก็พอไหวอยูอ่พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะก็นับว่าเป็นผู้ที่ นะต่างบ้านต่างเมืองนะเดินทางไกลกันมาจากบ้านเกิดเมืองน้อยมาถึงนี่ก็หลายพันกิโลเมตรนะอะไรทำให้เรามาถึงที่นี่อะไรทำให้เรามาปักหลักหรือว่าดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่นะอาตมาว่าเหตุผลอาจจะแตกต่างกั น, กนหลายประการแต่ถ้าสรุปรวมกันแล้วเนี่ยก็มีเหตุผลรวมกันข้อนึ่งก็คือปรารถนาความสุข นะอยากได้รับความสุขนะอยากมีชีวิตที่ผาสุขเราก็เลยนะเลือกที่จะมาที่นี่หรือเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคราวนี้เนี่ยเราก็ลองถามตัวเองว่าเราได้พบกับความสุขที่เราปรารถนาหรือยังนะ<ส>ความสุขกายนะแน่นอนนะอาตมาเชื่อว่าเราได้รับ มากมายกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยนะอันนี้อันนี้ผู้รวมถึงสิ่งแวดล้อมสภาพบรรยากาศด้วยนะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกนะแล้วก็สวัสดิการหรือสวัสดิภาพในสังคมก็มากกว่าที่เมืองไทยโดยพาะกรุงเทพนะแล้วรวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะรวมทั้งสิ่งที่ประเทิงปัญญาประเทิองอารมณ์เนี่ยก็มีมาก นะก็น่าที่จะชวนให้เรามีความสุขนะกับชีวิตที่ประเทศสเปนหรือว่ายุโรวนะันนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของความสุขเนี่ยมันมีคำสอนของพระุทธเจ้าอยู่อยู่หมวดหนึ่งนะซึ่งอาตมาคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะแต่ว่ามัน สามารถจะชวนให้เราใครควรชีวิตถ้าเราพยายามมองมันในมุมที่ลึกซึ้งนะผู้ชาได้พูดถึงท่าทีของสุขและความทุกเนี่ยอยู่4่ประการนะข้อแรกคือว่าอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทรนะอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยมาโดยชอบทมซึ่งก็มีความหมายรวมถึงว่า ให้รู้จักน ะ, ะสัมผัสกับความสุขที่ได้มาโดยชอบทำด้วยความสุขที่ได้มาโดยชอบทำเนี่ยนะหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาด้วยความสุจริตนะได้มาด้วยสัมมาชีวะนะเราต้องรู้จักใช้เลี้ยงตัวให้มีความสุขนะแล้วก็เลี้ยงคนที่อยู่รอบตัวเช่น ครอบครัวบริษัทบริวารให้มีความสุขด้วยในสมัยหนึ่งเนี่ยนะที่เมืองเชตวันเนี่ยมันมีข่าวมีเหตุการณ์นันคือว่าเศรษฐีที่ร่ำรวยมากนะในเมืองสาวัตถีนะเขาตายลงและพบ ว, ว่ามีทรัพย์สินเงินทองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก แล้วเศรษฐีคนนี้เนี่ยก็อยู่แบบกรเม็ดกระแม่หรือหรือเรียกให้มันยี่งกว่ากระเม็ดกระแม่นะอยู่แบบอยู่แบบขี้เหนียวอยู่แบบตันีขี้เหนียวนะกินข้าวปลายหับนะใส่เสื้อผ้าปูปากนะจนกระทั่งแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ใครเลยนะไม่แม้กระทั่งทําบุญทํากุศลด้วย เมื่อตายลงเนี่ยนะทรัพย์สมบัติก็เลยตกเป็นของหลวงผู้เจ้าก็ากตรัสตาหนิเศรษฐีคนนี้ว่าไม่รู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุขนะอันนี้ก็เป็นแง่าย่พุทธศาสนากไ็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีเงินมีทองหรือแม้กระทั่งความร่ำรวยนะแต่ว่าต้องให้รู้จักใช้เงินนั้นให้เกิดประโยชน์ด้วยนอกจากได้มาโดยวิธีที่สุจริตนะ แล้วเนี่ยจะต้องรู้จักใช้เงินนั้นให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์หรือไม่ใช้เลยในะตนนี้ทีเนี้ ย, ยก็ถูกตําหนิเหมือนกันนะอันนี้ก็คือความหมายของขอ ง, ของคำแนะนําของผู้ใจจัดว่าเนี่ยให้รู้จัก อ, อย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบรำนะตอนนี้ความสุขที่ได้มาโดยชอบทำเนี่ยนะมันยังมีมากมายนอกจากทรัพย์สินเงินทองนะ สิ่งที่คนอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็คือว่านอกจากการรู้จักใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยนะเราจะต้องอย่ามองข้ามอย่าละเลยความสุขที่ได้มาโดยชอบทำด้วยตรงนี้เนี่ยตามาคิดว่าหลายคนเนี่ยนะอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้เท่าไหร่ ก็เราหลายคนเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากปฏิเสธหรือมองไม่เห็นมันหรือละเลยมันนะเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยคร่องชีวิตเรานี่ขาดนะหลายคนเนี่ยบอกว่าจะไม่มีความสุขเลยนะ คนที่พูดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเขาปฏิเสธหรือเขามองข้ามหรือว่าเขาละเลยความสุขที่ที่มีอยู่ในตัวเขาแล้วนะคนที่บอกว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขเนี่ยที่จริงเนี่ยเขามีแต่เขาไม่เห็นนะหลายคนนี่ไม่มีความสุขเพราะไปมองเห็น ไปรู้สึกว่าเนี่ยฉันไม่มีโน่นฉันไม่มีนี่ฉันไม่มีบ้านหลังใหญ่ฉันไม่มีรถ2คันนะฉันไม่มีกระเป๋าหรือตตองฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือฉันไม่มี iPhone 6 น, นะหลายคนมักจะบ่นว่าเนี่ยนะสุขเพราะไม่มีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเขาลองหันมามองตัวให้ดีๆเนี่ยเขาจะพบเขามีความสุขดูแล้วนะแต่เขามองไม่เห็น อย่างตอนนี้เนี่ยนะเราตระหนักบ้างหรือเปล่าว่าการที่เรามีสุขภาพดีอันนี้เนี่ยมันคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตหลายคนมองไม่เห็นหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยอาจจะกุ่มหมกุ้มใจนะฉันไม่มีโน่นฉันไม่มีนี่แต่เขาไม่ตระหนักเลยว่าการที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยนะนะั่นแหะมันคือความสุขแล้ว เพราะว่าถ้าเขาลองเจ็บลองป่วยขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าโอ้ก็จะได้ตระหนักเลย ว, ว่าไอ้ตอนที่ฉันไม่เจ็ไม่ป่วยเนี่ยมันเป็นความสุขนะเราเคยตระหนักบ้างหรือเปล่านะว่าการที่เราเนี่ยมีตามองเห็นนะหรือว่ายังมีจมูกดมกลิ่นหรือว่าหูเนี่ยฟังเสียงได้เนี่ยอันนี้มันเป็นความสุข คนที่บนว่าฉันไม่มีความสุขนะคนเหล่านี้เนี่ยเขายังมีตาที่มองเห็นสิ่งสวยงามเขายังมีหูที่สามารถที่จะฟังเสียงอะไรได้เขาไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยบ่นว่าเขาเนี่ยโชคไม่ดีการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้เนี่ยมือไม้ยังเป็นปกตินะ เรารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยคือความสุขเมื่อใ่ก็ตามที่เราลองเจ็บป่วยนะเจออุบัติเหตุนะเดินไม่ได้ขาหักหรือพิการเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้สมัยตอนที่ฉันเนี่ยเดินได้เนี่ยนะมันมีความสุขแล้วบางคนก็บอกว่ า, วาเนี่ยเม่อฉันไม่ฉันไม่เอาแล้วแล้วเนี่ยขอให้ฉันมีความขอให้ฉันเดินได้ก็พอ การที่เรามีพ่อมีแม่หรือว่ามีคนรักอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเราเคยตะหนักไหว่านั่นคือความสุขคนที่บอกคนที่บอว่าไม่มีความสุขคนที่กำลังรู้หมกุ้มใจเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตฉันแย่เหลือเกินน่าระทมทุกเหลือเกินเนี่ยหลายคนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังมีสิ่งเหล่านี้มีคนหลําที้อยู่รอบตัวแต่เขาไม่ตระหนัก เขาก็เลยทุกขนว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่นะหรือว่าเขาไม่มีรถหรือเขาไม่มีหน้าตาสาสวยเหมือนคนถึงเขานะคนเรล่านี้ทุกข์เพราะมองเห็นสิ่งที่ตัวไม่มีแต่มองข้ามสิ่งที่ตัวมีไม่รู้จักชื่นชมสิ่งที่ตัวมีเมื่อสักสิบปีก่อนเนี่ยมี มีเด็กคนนึงนะกเป็นนักกีฬาทีมชาตินะเป็นกีฬาประเภทที่เมืองไทยเนี่ยเพิ่งเล่นเพิ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ปีนั้นเธอต้อง เ, อเป็นนักกีฬานักกีฬาที่จะไปแข่งซีเกมเนะมืองไทยไม่เคยได้เหรียญทองกีฬาประเภทนี้เลยคือคาราเต้โด เครดิตมาคาราเตโดแลดี้เนี่ยเขาว่าอยู่โดใช่ไหมหรือว่าเทคนโดนะแต่มันมีคาราเตโดเด็กคนนี้เนี่ยนะแกก็หมายมั่นว่าแกจะนำเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยเป็นคนแรกพ่องเธอเป็นโค้ชประจำตัวนะที่เก่งมากนะแต่ว่าตอนที่ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะพ่อไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาตินะ แล้ววันที่เธอนะแข่งชิงเหรียญทองก็มาถึงเธอตื่นเต้นมากนะหมายมันฟันมือไว้ต้องทําให้ได้และสุดท้ายเธอก็ได้เหรียญทองนะคาราเต้โดตอนเย็นก็มีการเลี้ยงฉลองกันพอเลี้ยงฉลองเสร็จโค้ชก็มาบอกว่ามีเรื่องจะบอกนะฟังดีๆนะตั้งใจฟังพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อสามวันก่อนอุบัติเหตุ แต่ไม่บอกเพราะว่าอยากทให้เธอเสียกำลังใจเพราะว่าเห็นว่าเธอเนี่ยมุ่งมั่นอยากได้เหรียญทองมากพอเธอลูกขา้านี่เธอร้องไห้โฮเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอพ่อกับคืนมาเหรียญทองฉันไม่เอาแล้วนั่นคือนั่นคือขนาดแรกที่เธอตระหนักว่าพ่อเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะตอนที่เธอยังไม่ได้เหรียญทองเนี่ยเธอคิดว่าเนี่ยเธอมีความทุกข์มากเพราะอยากได้เหรียญทอง นะแต่เธอไม่ได้ตะหนักเลย ว, ว่าถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองเนี่ยแต่เธอก็มีสิ่งที่มีความสำคัญอยู่แล้วคือพ่อตอนนั้นเธอคิดว่าเนี่ยจุดหมายชงชีพของของฉันเนี่ยคือเหรียญทองถ้าฉันได้เหรียญทองฉันจะมีความสุขนะถ้าไม่ได้เหรียญทองฉันจะทุกข์มากแ ต, แต่แต่ตอนนั้นเธอลืมตะหนักไปว่าเนี่ยการที่มีพ่ออยู่ทั้งคนเนี่ยนะมันคือสุดยอดแล้ว เธอมารู้ตรงนี้ก็ตอนที่พ่อเนี่ยจากไปแบบไม่มีวันกลับเพราะ น, นั้นเนี่ยถึงแม้เราจะไ ม, าาไม่ว่าเราจะมีความฝ่ายฝันกับฝ่ายฝันในชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยในขณะที่เรายังไม่ได้มันมาเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าอะไร้ี่จะต้องทุกข์เสมอไปเพราะว่าเรายังมีสิ่งดีๆที่อยู่กับเราอีกมากมาย อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะแทนที่เราจะไปมองเห็นสิ่งที่เราไม่มีนะเราควรจะหันกลับมามองและชื่นชมสิ่งที่เรามีให้มากๆแล้วเราจะพบว่าความสุขนั้นเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วนะแน่นอนไอ้สิ่งที่เราไม่ได้มาถ้าเราได้มามันก็ดีแต่ถึงไม่ได้มามันก็ไม่แปลว่าเลยต้องทุกข์เพราะว่าเรายังมีสิ่งดีๆอีกมาก อยู่ที่วันเราจะเห็นมันหรือเปล่านั้นถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่มองมองไม่เห็นสิ่งนี้เนี่ยนะเพราะใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สิ่งที่เราสิ่งที่เราไม่มีแล้วเราและเราปรารถนาหมายมั่นนะที่จะได้มันมาสิ่งหน่าจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าสิ่งหน่าจะอยู่ในในอนาคตนะถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น และเราลืมมองเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีความทุกข์จะเกิดขึ้นง่ายแต่เมื่อก็ตามที่เราหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่เสมอนะเราจะพบว่าความสุขที่หายได้ไม่ยากเลยมันมีมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะแกชื่อโอโตโทักเก็ แกเกิดมาในพิการก็คือไม่มีไม่มีไม่มีมือไม่มีขามือแขนของเธอไอ้ แ, แขนของเขาเนี่ยกับขาขเขาเนี่ยมันนิดเดียวเนี่เป็นแค่ตุ่มนิดๆออกมาแกอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าไม่ครบ5้าไม่ครบ5้าคือว่ามีแต่หัวขาสองไม่มีแขนสองไม่มีแต่ว่า หนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะมันไม่มีน้ำเสียงของความรู้สุกทุกข์ระทมเลยมันมีประโยชน์ในที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยฉันเกิดมาพิการแต่ฉันสนุกฉันมีความสุขและสนุกทุกวันฉันเกิดมาพิการแต่ฉันมีความสุขและสนุกทุกวันคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยทำไมถึงมีความสุขได้พราะเขามองเห็นแต่สิ่งที่เขามีแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เขามี ส่วนสิ่งที่ไม่มีเขาก็ไม่ไม่เอามาเป็นอารมณ์มากนะไม่เอามาเป็นกังวลมากเขาเนี่ยขาดอีกต้องหลายอย่างแต่เขามีความสุขได้เพราะเขาชื่นชมหรือเห็นคุณค่างสิ่งที่เขามีเอ า, าโอโตตะเกนเนี่ยนะไปนํามาไหนเนี่ยก็ต้องนั่งรถนั่งรถเข็นนะทำขับเคลื่องในไฟฟ้าเขาไปเป็นครูนะแล้วเขาก็ต่อหลังเขาก็ไปทํางานเขียน หนังสือเขาเนี่ยน ะ, ะเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะเพราะว่าให้กำลังใจ ก, กับคนว่าจริงๆแล้วความสุขคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เพียงแค่เรารู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีแต่คนทุกวันเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่ามองข้ามสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอันนี้ก็ถือว่าจัดได้ว่าเป็นการะละเลยความสุขที่ได้มาโดยชอบทำอย่างหนึ่งนะ การต่อมาเนี่ยนะวิจารตัดว่าที่จริงคอนี่เป็นคนแรกแต่ก็มาม า, ม า, สาใส่เป็นข้อที่สองก็คืออย่าหาทุกข์ใส่ตัวหรือว่าอย่าซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเองนะคนเราเนี่ยนะมันหนีทุกข์ไม่พ้นนะเช่นเจ็บป่วยนะหรือว่าแก่ชาราหรือว่า สูญเสียพัดพลาจากของรักนะแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราเจ็บเมื่อเราป่วยนะแค่เนี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วเราอย่าซ้ำเติมตัวเองซ้ำเติมยังไงนะพอกายป่วยก็บน่น โอดโอยตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้รู้ไหมว่าเรากาลังซ้ำเติมตัวเองเรากำลังเอาความทุกข์ใจเนี่ยมามามาบวกเข้าไปกับความทุกข์กายทุกข์กายก็พอแรงแล้วนะีทำไมเราต้องทุกข์ใจด้วยใช่ไหมแค่เป็นมะเร็งนี่ก็หนักแล้วนะทำไมต้องบหนตีโพยตีพายโอดโอยนะนกินไม่ได้นอนไม่หลับ อันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเวลาเราไปกรุงเทพเนี่ยแค่รถติดเนี่ยนะก็ถือว่าเสียเวลาแล้วนะแค่นี้ก็ก็พอแล้วแต่ทาไมเมื่อไรก็ตามที่เราไปซ้าเติมตัวเองด้วยความสึกหงุดหงิดนะเมื่อไหร่ไฟมันจะแดงสักทีไฟมันจะเขียวสักทีนะนะเมื่อไหร่มันจะหายติดสักทีนะ หงุดกงิดเสียอารมณ์เนี่ยเรารุ้รู้เปล่าว่าเนี่ยเรากาลังซ้ำเติมตัวเองเสียเวลาก็พอแล้วอย่าเสียอารมณ์อย่าเสียความสุขใช่ไหมฮะเงินหายโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงเงินเนี่ยเราอยา่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อใ่ก็ตามที่เรารู้สึกโกรธโมโหเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เรากาลังซ้าเติมตัวเองเรียกว่าหาทุกมาใส่ตัวถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อจะเสียก็เสียอย่างเดียวคือเสียเงินนะแต่ใจไม่เสียเพราะถ้าใจเสียแล้วเนี่ยนะต่อไปมันก็จะเริ่มเสียอย่างอื่นตามมาเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพย่ำแย่มีครูคนหนึ่งโดนกงไปเป็นแสนนะ เสียใจมากนะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนะเหมือนกับว่าจะประท้วงไข่สักคนหรือเหมือนกับจะประท้วงประชะตากรรมแม่บอกให้ทักบ่อนเติมได้บอกให้กินเถอแกก็ไม่ยอมหลายคนเป็นอย่างนี้แต่จะไม่ถึงขั้นนี้ซึ่งทําให้น่าคิดว่าเขารักเงินหรือรักตัวเองกนแน่แล้วคนที่รักตัวเองนี่นะเขจะไม่ทําอย่างนี้ ใช่ไหมแต่ถ้ารักเงินเนี่ยจะทําแบบนี้ก็คือว่าเสียเงินแล้วก็จะทุกข์ใจมากพอทุกข์ใจไม่กินไม่นอนก็เสียสุขภาพเสียสุขภาพหรือถึงแม้ไม่เสียสุขภาพแต่ว่าใจเศร้าโศกอะไรก็ไม่มีสมาธิทํางานเสียงานอีกนะแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าพอากลับไปบ้านนะ งานการก็ทําไม่ค่อยได้เสียใจหงุดหงิดลูกพูดไปถูกหูเพื่อนพูดไม่ถูกหูก็ด่าเพื่อนเสียเพื่อนอีกหรือเสียสมรรถภาพบางคนอาจจะดูแลพ่อแม่หงุดหงิดเสียใจจากการที่โกงเงินพอพ่อแม่พูดไม่ถูกใจหรือว่าไม่ทําตามที่บอกไม่ทําตามที่สอนไม่ทําตามที่ บอกใช่ไหมก็โมโหด่าว่าแม่ด่าว่าพ่อเสียสมรรถภาพอีกอันนี้เรียกว่าเรากําลังซ้ําเติมตัวเองคนฉลาดเนี่ยจะไม่ซ้ําเติมตัวเองเมื่อจะเสียก็เสียแค่อย่างเดียวจะไม่เสียเพิ่มมาเป็น1เป็น2เป็น3เป็นสี่เช่นเสียงเสียสุขภาพเสียสุขภาพเสียเสียความสุขเสียสุขภาพ เสียงานเสียสมรรถภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูะเจ้ตาตรัสว่านเนี่ยอย่าซ้ำเติมตัวเองเนี่ยนะมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะหลายคนทําโดยไม่รู้ตัวนะทําร้ายตัวเองไม่รู้ตัวนะตีอกชกหัวนะเวลาโกรธบางคนเนี่ยถึงขั้นไปทําร้ายตัวเองฆนะ่าตัวตาย แม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้น้อยใจนะแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยเออในเมื่อไม่ได้โทรศัพท์ ก, ก, mm hmm. ก็ก็ขอให้หยุดมันให้ความทุกข์มันหยุดยุติเพียงเท่านั้นนะ mm hmm. เวลาคนด่าว่าเราเนี่ยนะ mm hmm. ก็เสียภาพรักก็พอแรงใช่ไหมยังมกรุ่มอกรมกรุ่มใจยังโกรธปล่อยให้ความโกรธเผา mm hmm. เผาร้นติดใจอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเอง หลายคนวเวลาโกรธเนี่ยนะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาทำไม่ดีกับเราเขาพูดไม่ดีกับเราแต่ที่จริงเราทำตัวเราเองนะเพราะเราเลือกได้ว่าคาพูดของเขาเราไม่ใส่ใจก็ได้นะแต่พอเราเอาคาพูดเรานะัเนี่ยมาทิมแทงตัว เ, เองเนี่ยก็เกิดความโกรธนะความแค้น นี่เรากําลังทําร้ายตัวเองมีโกนหรือว่าเศษแก้วอยู่ในมือเรามันทําอะไรเราได้ไหมเศษแก้วหรือมีโกนเน่ยมันทำลารเราไม่ได้มันทํำลายเราได้ก็ต่อมือเรากรำมันแล้วบีกบกำมล้วบีใช่มครัจนเลือดไหลปวดไม่ปวด เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมิโมกนหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเราไปกรรมไปบีบเอาไว้มีโกรมันสั่งให้เรากรำหรือ บ, บีบไหมเปล่าใช่มั้ยเราทำเองอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยโจรกับโจรทำร้ายกันนะหรือศัตรูกับศัตรูเนี่ยทำร้ายกัน ก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสิบหายมากเท่ากับจิตที่วางเอาไว้ผิดนะจิตเมื่อวางาไว้ผิดเนี่ยสามารถจะทำร้ายตัวเราเองได้นะไม่ใช่คนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเร า, เ ว, า, เ, ราเวลาเราเจอความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยนะอุปสรรค ความล้มเหลวในการงานหรือความพระดพลาสูญเสียเนี่ยพยายามอย่าเพิ่มเติมความทุกข์ให้กับตัวเองนะจกัดความทุกข์ให้มันหยุดเพียงแค่ที่งานนะที่ร่างกายที่สิ่งของอย่าให้มันลามมาถึงใจนะ ถ้าเราทำได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ทำตามที่พุทเจ้าสอนคือว่าอย่าซ้ำเติมตัวเองคนอื่นทำร้ายเราเนี่ยคนอื่นกันแกล้งเราเนี่ยมันจะไม่เลวร้ายเท่ากับการที่เราซ้ำเติมหรือว่าทำร้ายตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยที่พุทเจ้าตรัสเนี่ยคํา2ประการเนี่ยนะดูเพินๆ เ, เนี่ยดูมันมันก็ธรรมดาธรรมดานะแต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ทั้งทั้งสองข้อ หรือว่าทำได้ไม่ครบอย่าปฏิเสธหรือเล่าเลยความสุขที่ได้มาโดยชอบทำแล้วก็อย่าซ้ำเติมหรือหาความทุกข์มาใส่ตัวตอนนี้เนี่ยถ้าระวังใจเป็นนะแม้เราจะมีความทุกข์เราจะเจอ ความข้องขัดอุปสรรคในชีวิตเนี่ยนะถ้าเระาวาังใจเป็นนะเราก็สามารถจะไม่เพียงแต่ดุจความทุกข์มาให้ลุกลามแต่เรายังสามารถจะมีความสุขได้ด้วยนะอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะจะมีความสุข นะอยู่ได้หรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ทุกเวลาเจอสิ่งไม่พึงปรารถนามากระทบถ้านะข้อแรกเนี่ยนะก็คือการรู้จักยอมรับมัน เมื่อใก็ตามที่เราปฏิเสธเมื่อใดก็ตามที่จิตเราผักใสเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในทัน ท, ทีนะเกิด <g ül> เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องนี้นะถึงแม้จะเป็นเสียงดึงโทนที่เพราะนะแต่แล้วคนจะรู้สึกหมุกหมิดเพราะมันเสียงดังหรือเปล่ามันจะไม่ดังเท่าไหร่นะมีเสียงที่ดังกว่านี้แต่เราไม่ทุกข์ เสียงบางเสียงเนี่ยทำไมเรามันดังแต่เราไม่ทุกข์แต่เสียงบางเสียงมันค่อยแต่เราทุกข์นะมันเป็นเพราะว่าเสียงบางเสียงเนี่ยเราพอใจที่ได้ยินเสียงบางเสียงเราพยายามผลักสายออกไปเสียงริงโทนเบาแต่พอใจเราไม่ชอบเนี่ยเราทุกข์ทันทีนะ แต่พอเราเพิ่มทำใจยอมรับได้เออมันจะดังก็ดังไปนะความทุกข์มันก็จะหายเสียงก็ดังอยู่แต่ใจไม่ทุกข์นะคนบางคนเนี่ยเป็นสือไม่กินเม็ดบนใบหน้านะอนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางคนเป็นมะเร็งแต่ทาไมเขาเนะกินได้นอนหลับ คนที่เป็นสิวเนี่ยนะเขาเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ยอมรับบน่นตีโพตีพายโอดโอยทาไมต้องเป็นช้นเขาก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเขาทำใจได้เ้ายอมรับมันได้ใคาจะคิดว่าเออในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะบน่นทาไมจะตีโพตีพายทาไมนะคนบางคนได้งานมานิดหน่อยเนี่ยนะ ก็โมโหฉุนเฉียวไอเป็นเพราะว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะแต่ว่าเจ้านายเนี่ยแทนที่จะให้เรากลับบ้านกลับโดนงานมาชิ้นหนึ่งที่จริงงานก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่พอใจเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราทุกเลยแต่คนบางคนนี่ได้งานมาก้อนใหญ่นะแต่เขาไม่เป็นทุกข์กำมันเพราะอะไรเพราะเขายอมรับได้เออ บนไปตีปวยตีพายไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะพอทำใจยอมรับมันได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานชิ้นนั้นได้อย่างไม่ทุกข์เนะี่เวลาเราเจออะไรมากระทบเนี่ยนะอย่างแรกที่เราควรทำก็คือทำใจยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรถติดนะสิ่งน่าจะเป็นคนะําคพูดที่ไม่ดีของคนใกล้ตัว อาจจะเป็นดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกบนไปก็ไร้ประโยชน์แต่พอทำใจได้นะหรือยอมรับมันได้นะความทุกข์มันจะลดพั่วไปเลยนะทีนี้ น, นอกจากการการยอมรับมันได้แล้วเนี่ยนะถ้าเรามีอีกสิ่งหนึ่งเติมเข้าไปคือการมรู้จักมองมันในแง่บวก นะมองบุมบวกนะหรือหาประโยชน์จากมันเนี่ยเรากลับจะมีความสุขอยู่ได้อย่างโอโตโทะเกะในแค่ตมาเล่าเนี่ยนะเขาไม่มีแขนไม่มีขานะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มองบวกวเขายังเขามองวันเอเ อ, อฉันก็ยังมีฉันก็ยังมีหัวนะฉันยังมีพ่อมีแม่ฉันยังมีอะไรอีกอะไรต้องหลายอย่าง แล้วเขาก็สามารถจะใช้สิ่งที่เขามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์เขามีความเามีความคิดเขามีสมองเขามีหัวใจเหมือนกับเราแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้และประโยชน์อย่างนึงคือความสุขนี่ผู้หญิคนนึงนะเป็นชาวเป็นชาวจีนไต้หวันนะชื่อหวังเหม่ยเหลียงเนี่ย แกเกิดมาเนี่ยสมองพิการนะเป็นโชคของแกนะที่แม่เนี่ยให้เธอออกมาดูโลกบางคนจะบอกเนี่ยปล่อยให้ลูกแบบนี้ออกมาดูโลกนี่มันทำร้ายลูกนะแต่เธอเนี่ยนะกลับรู้สึกว่าเป็นโชคของเธอที่ได้เกิดมาในโลกนี้ สมองเธอพิการเนี่ยเธอพูดไม่ได้เธอเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นจะสื่อสารคนต้องเขียนด้วยปากกาคนแบบนี้เนี่ยทราบไหมสามารถเรียนจบปริญญาเอกหมายอะไรที่มีชื่อในอเมริกา UCLA อาตมายะมีปัญญาเรียนได้สูงถึงขนาดนั้นเลยนะทั้งที่สมองก็ทั้งที่ก็มีอวัยวะคพกสายสองนะ เธอเรียนสูงแล้วเธอก็มีความสุขก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ให้ไปได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆรวมทั้งในหมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนยมัธยมครั้งเธอไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งพูดจบเธอเธอไม่ได้พูดแล้วเธอเขียนบรรยายก็มีคนนักเรียนคนนึงยกมือถามว่าคุณเนี่ยเกิดมาพิการเนี่ยคุณมองตัวเองอย่างไร คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างไหมห้องประชุมเนี่ยพอเจอคำถามที่เเงียบเลย น, นะเขาปกติเขาไม่นิยมถามคำถามแบบนี้เนี่ยกับคนพิการแต่ว่าหวังไม่เลเนี่ยก็ไม่ได้เสียใจหรืออารมณ์เสียเธอก็หันไปเขียนกระดานฉันมองตัวเองอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักสอง ฉันมีขาที่สวยงามสามสามมีพ่อที่รักฉันสี่พระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสห้าฉันมีแมวที่น่ารักหกฉันเขียนหนังสือและวาดรูปได้แต่ที่คนประทับใจก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยธอเขียนว่าฉันมองฉันเห็นแต่สิ่งที่มีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาด อคนก็ตบมือกันใหญ่เลยนะเพราะวนานี่คือเคล็ดลับแห่งความสําเร็จและความสุขของเธออันนี้เราเรียกว่าเป็นการมองแง่บวกนะมองแง่บวกคือการมองเห็นสิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ไม่มีคนที่มองแง่ลบเนี่ยจะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีแล้วคุณมองแง่ลบนะถ้าคุณมองแง่ลบไม่ว่าคุณจะได้โชคใน้ลาภยัางานก็จะมีแต่ความทุกข์นะ เพื่อนตอมาคนหนึ่งเป็นนักเล่นหุ้นแต่ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วเพราะว่าแกบอกว่าเนี่ยถ้าจะถ้าจะเล่นหุ้นนะก็ได้แต่งเงินนะความสุขไม่ได้แต่ถ้าได้ความสุขก็ต้องเลิกเล่นหุ้นนะแะแล้วแกก็ได้เงินมาพอสมควรแก้วคิดว่าถึงเวลาที่จะหาความสุขแล้วแต่ตอนที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยเล่าว่าเคยไปพบผู้หญิงคนหนึ่งคุณป้าคุณเนี่ยแกมีอาชีพเล่นหุ้นเหมือนกับเพื่อนของตอมา แล้วแกก็เล่าว่าเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยนะได้กำไรสิบล้านบาทเพื่อนตมาก็บอกว่าขอแจ้งความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉ<ๆ hurting>ัน mm. ได้กำไรละยี่สิบล้านได้สิบล้านนี่ไม่มีความสุขนะไม่ดีใจนะทำไม เพราะว่าคุณป้าเนี่ยแกไม่ได้มอแกได้10ล้านแกมอว่าแกเสียสิล้านนะอันนี้เรามองแง่ลบได้คือเสียแต่ถ้ามองแง่บวกเนี่ยเสียคือได้ใช่ไหมเสียเงินเออก็ได้ฝึกความอดทนฝึกลูกจักปล่อยวางหรือว่าได้เตือนสติ ว่าอย่าประมาทต้องรู้จั ก, จกระมัดระวังเมื่อปีห้าสีมีน้ำท่วมใหญ่นะกรุงเทพเมืองไทยนะหลายภาคเนี่ยน้ำท่วมใหญ่ผู้คนนับหมื่นนับแสนสูญเสียทรัพย์สิสนไปจำนวนมากหลายคนเนี่ยไม่ได้เสียแค่ทรัพย์นะเสียใจเสียจริตคือคุ้มครั่งบางคนก็ถึงกับเสียสมรรถภาพเสียชีวครอบครัว ทะเลาะกันอย่า ก, กันบางครงก็ถึงขั้นตัวตายแต่พี่เพื่อนคนหนึ่งแกบอกว่าเนี่ยแกก็ไม่ทุกง์นะแกก็มองว่าเออน้ําท่วมคราวนี้มันก็มาสอนนะให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีเนี่ยมันอยู่กระเพีงแค่ชั่วคราวไม่เช้าก็เร็วธรรมชาติก็เอาไปหรือไม่เช้าก็แล้วก็สูญเสียมันไป สลาตมาเนี่ยเนี่ยคือตัวอย่างคําว่าเสียคือได้เสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะนะได้เห็นสัจธรรมทรัพเนี่ยนะหาใหม่ได้ถ้ามีเงินแล้วก็ซื้อใหม่ได้แต่ว่าคติธรรมหรือว่าปัญญาแบบนี้เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ และถ้ามีปัญญามีความเข้าใจแบบนี้เนี่ยต่อไปเจอความสูญเสียอีกก็จะทุกน้อยลงหรือไม่ทุกเลยนะแต่ถ้ามีทรัพย์แล้วเสียอีกเนื่อก็อาจจะทุกนะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยถ้ารู้จักมองแง่บวกเนี่ยเสียคือได้แต่ถ้ามองแง่ลบเนี่ยได้คือเสีย วันีนเราถ้าหลักว่าเราเราไม่อยากจะถูกทุกท่วมทับเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต้องรู้จักมองบวกให้เป็นมีพิธีกงคนนึงนะจะชื่อกระหนกวันสินสุขอายุ30บปันปันที่สี่สิบแล้วเธอเกิดมาเนี่ยเป็นโรคเป็นโรคทรัสซิเมตตั้งแต่เกิด ทรซิเมตที่เป็นโรคเลือดนะติดต่อทางกรรมพันธุ์เธอกับน้องสองคนเนี่ยเป็นทซิเมตที่แรงมากตอนที่ยังเด็กๆ เ, เนี่ยหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบแต่เธอก็อยู่ได้จนกระทั่งสามสิบน้องเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อสี่หปีก่อนอา ย, ยุได้สามสิกว่าตัวเธอกับน้องเนี่ยนะพร้อมตาโปนแครกแกรน กระดูกปลอกล้มทีไรเนี่ยทําไม่แขนงชา ก, ก็ขาหักตัวเธอเนี่ยใส่เฟื่อมาแล้วส4บครั้งอันนี้คือเมื่อเกือบสิปีที่แล้วนะแต่เธอเป็นคนที่มีความสุขน้องก็เหมือนกันเธอเคยไปเป็นดีเจคลื่นความสุขวิธีคลื่นความสุ ข, ค น, ค, สขคนก็สงสัยว่าเธอเนี่ยทำไมถึงมีความสุขได้ในเมื่อเธอป่วยหนักขนาดนี้ต้องรับเลือดทุกวันไอ้ทุกอาทิตย์ แล้วไม่รจะตายเมื่อไหร่เธอพูดดีนะเธอบอกว่าเลือดของฉันเนี่ยถึงแม้จะแย่แต่ฉันมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันมีจมูกตอนกลิ่นหอมฉันมีตาฉันมีหูรับฟังเพลงได้แล้วก็ฉันก็สามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเลือดเธอไม่ดีแต่เธอไม่มาจดจ่อยอยู่ที่ว่าโอ้ฉันทําไมถึงเกิดมา มีกรรมแบบนี้เธอเหมือนกับวังเหมือนี้เลยนะทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเธอมองเห็นแต่สิ่งที่เธอมีเธอมองเห็นและชื่นชมสิ่งดีๆที่เธอมีฉะนั้นเธอก็ไม่ทุกข์นะถ้วคนเราเนี่ยจะสูญทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะแต่ีที่ว่าเรามองมันอย่างไรถึงเจ็ป่วยเนี่ยก็สามารถจะมีความสุขได้ เพราะว่าเออถึงแม้เป็นมะเร็งนะฉันก็ยังดีนะที่ไม่พิการฉันยังไปไหนมาไหนได้ฉันยังมองเห็นนะฉันยังฟังเพลงเพราะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้นะหลายคนบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งนะหรือว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งนี่ทำให้เขาได้เข้ารู้เธอในแด่แบบพบธรรมะ ถ้าไม่ปวดเป็นมะเร็งก็คงจะได้ก็คงไม่มีคงไม่สนใจธรรมะแล้วเมื่อไม่สนใจธรรมะก็คงจะไม่ได้เจอความสุขที่สงบลึกซึ้งหลายคนบอกเนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีความสุขมากกว่าตอนที่ยังไม่เป็นซะอีกนะอันนี้เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์หรือว่ารู้จักมองแง่บวกนะ กลับมาที่คนที่คนที่หนุ่มสาวหลายคนเนี่ยทั้งที่พ่อแม่ก็รวยครอบครัว ก, ก็อบอุ่นนะการเรียนก็ดีไม่เจ็บไม่ป่วยแต่หลายคนเป็นทุกหมุดหงิดนะกลุ่มอกกุ้มใจพ่ออะไรพ่อมีสิวเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนะคงแทบเป็นมากนะไม่รู้ สาวหนุ่มสาวสเปนเป็นนั่นแหละนะคงแค่นี้เป็นมากเลยเนี่ยเป็นสิวผื่แห้งผมแตกปลายเนี่ยก็ฮะรักแร้ดำรักแร้ด ำ, แดำด้วย <c oughs> มีดีเก้าสิบหกอย่างนะมีแค่มีแค่ไม่ดีเนี่ยจริงจิมันปกตินะคือสมัยก่อนก็ปกติไนอะ้รักแรดดาหรือว่าเป็นสิวผื่แห้งนะแต่สมัยนี้เขาหมอเป็นไม่หมองมันไม่ดีโอเคถึงว่ามันไม่ดีเนี่ยเรามีดีเก้าสบหกอย่างแต่เรามีไม่ดีอยู่เนี่ยสี่อย่างควรที่เราจะสุขหรือทุกนะ ถ้าคุณมองเห็นแต่4อย่างที่ไม่ดีคุณก็ทุกข์แต่ถ้าคุณมองว่าเออมีต้องกาบหกอย่างที่ดีนะ mm hmm. ก็มีความสุขอยู่ที่คุณจะมองตรงไหนนะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเขามองตรงที่96ที่ดีอยู่ไอ้ปอดไม่ดีหรือว่ากระเพาะไม่ดีนะออก็ก็ว่ากันไปนะ mm hmm. แต่คนที่มีดีต้อง9กอย่างแต่ว่าไม่ดีแค่อย่างเดียวเนะี่ยกับทุกข์มีเยอะนะ เพราะว่าอะไรเพราะมองแต่ ง, ง่ยลบนะเข้าใจฮะคว่าบวกลบของธรรมา น, นียคืออนันนี้มองบวกคือการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีมองลบคือการมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นกันเยอะนะฮะมีครูคนหนึ่งนะแ ก, กครูปฐมนะไปที่ชั้นเรียนอ่ะวันวันนึงเนี่ยแกก็มาหน้ า, ห น, าหน้าชั้นเรียนแล้วก็ชู กระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษไม้ย า, ก, ก, นนยานะกระดาษขนาด A4 นะกระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันมีสมมุตินะมันตรงด้านขวามือเนี่ยมุมขวามือมันมีกากระบาทครูก็ถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนทุกคนตอบว่าเห็นกากระบาดสีดำครับครูถามว่าเธอไม่เห็นอย่างอื่นเหรอนักเรียนก็มองดูสักพักก็บอกไม่เห็นครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอ เห็นไหมฮะสีขาวกระดาษอ่ะมันมันอยู่หน้ามันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเห็นแต่กร ะ, ก ะ, ก ะ, กะบาดนั่น Represent, แหละคือแปลว่ามองแงล่ลบคนที่มองเห็นการเห็นคนที่ไม่ได้เห็นแต่กกะบาแต่เห็นสีขาวกระดาษนี่เรามองแง่บวกใช่ไหมฮะอันนี้มองแง่บวกยังมีความหมายเนีนคือว่ามองเห็นว่าไอสิ่งที่จะแย่มันมีข้อดียอย่างไรบ้างนะอันนี้คือความหมายนึง ซึเมือกตมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนเะช่นมะเร็งก็ดีเหมือนกันนะมะเร็งทำให้เราได้เห็นมะเร็งทำให้เราเนี่ยได้มาพบธรรมะแล้วถ้าคุณมองแง่โบนะคุณจะพบกับความอศัศจรรย์นนะว่าไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่มีความสุขได้อาตมาเคยพาคนไ ป, ไปเยี่ยมผู้ปว่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยหนักนะหลายแห่งคราวนึงก็ไปที่งล ง, ลง ไปที่หัดใจจิตอาสาคนหนึ่งก็ไปเจอเด็กอายุ14บสี่ผู้หญิงผมแกร่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสชวนจิตอาสาวาดรูปนะเธอวาดรูปเล่นในยามที่เจ็บป่วยจิตอาสาก็แปลกใจว่าทำไมโอภาปาศดีนะทั้งที่เป็นมะเร็งมีอารวมณ์วาดรูป พูดไปพูดมาเธอบอกว่าหนูโชคดีที่เป็นที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกมียากิคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอออาตมาพูดไม่ผิดนะหนูโชคดีที่เป็นมะเร็งที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะที่บางคนไม่โอน อยากจะฆ่าตัวตายเพราะ เ, าะเป็นสือ่อผีใหผมแตกปลานะทำไมแม่ให้ใ ห, ให้หน้าตาหนูมาแบบนี้นะทำไมให้พ่อให้หน้าตาหนูมาแบบนี้นะแต่ว่าเด็กคนนี้บอกว่าหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะมะเร็งสมองนี่ยังยั ง, ย, งยังมีเหตุยังยังมีสิทธิ์มองว่โชคดีนะและลองเทียบระหว่างทุกข์ละทมเพราะเป็นมะเร็งสมองกับ ใจิใจปกติหรือดีใจหรือหรือว่าเป็นสุขเพราะเป็นมะเร็งสมองเนี่ยหรือขนาดเป็นมะเร็งสมองเนถ้าเป็นเราเราจะเลือกอะไรนะควรที่จะทุกไหมที่เราเป็นมะเร็งสมองเนี่ยแล้ทุกแล้วเราได้อะไรใช่ไหมฮะจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราเนี่ยทำใจไม่ทุกคือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะฮ ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อาตมาอยากจะสรุปว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดยอยู่ในสถานใาดเนี่ยใจเราสามารถเป็นสุขได้เสมอนะถ้าเราทำอย่างที่พูพุทธเจ้าตรัสสอนนะ อย่าปฏิเสธความสุขที่ชอบทำแล้วก็อย่าซ้ําเติมตัวเองนะแล้วต่อมาก็เพิ่มวิธีการเข้าไปคือหนึ่งให้รู้จักยอมรับทําใจยอมรับมันอย่าปฏิเสธผลักสายเมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วป ฏ, ปฏิเสธผลักสายช่วยอะไรได้มีแต่จะซ้ําเติมตัวเองนะแม้ว่า บางอย่างปัญหาจะยังไม่เกิดแต่แต่ปัญหารออยู่ข้างหน้ามีปัญหาที่ต้องแก้อยู่ข้างหน้าก็ไม่เป็นต้องทุกข์นะมันมีภาะสิทธิทเบสนะบอกว่าปัญหาแล้วก็ตามเนี่ยถ้าแก้ได้เนี่ยจะกังวลไปทาไม และปัญหาอะไรเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยมีประโยชน์อะไรที่จะกังวลใช่ไหมถ้ามันแก้ได้จะกังวลไปทำไมจะกุ้มใจไปทำไมแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะกังวลใช่ไห ม, ไหมเพราะฉะั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราๆๆเวลาเราเจอความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ย เ, เจอความทุกข์หรือว่าเจอสิ่งที่ เหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นนะเราวังใจให้เป็นที่ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะถ้ายิ่งถ้าเป็นความทุกข์ในอดีแล้วเนี่ยนะยิ่งไม่ไ ม, มีเหตุผลเลยที่ต้องไปไปกุ้มใจกับมันอดีตก็ผ่านไปแล้วนะส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมัน ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทุกกันนะทุกใจเนี่ย 90% ของความทุกใจของเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปเอาใจไปอยู่กับอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็ไปหมองบุนวิตกกับสิ่งที่มาไม่ถึงความทุกข์จะลดลงจากใจเราถ้าว่าเราเนี่ยรู้จักพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะ เมื่อวานเนี่ยธรรมะ ก, ก็พู้ที่นี่ก็ได้พูดไปแล้วว่าให้ให้รู้จักนะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเมื่อไรกตามทีจเราอยู่กับอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะพบบ้านที่ประเสริฐบ้านที่แท้จริงเนี่ยไม่ใชใ่สร้างด้วยอิฐหรือว่าสร้างด้วยไม้แต่บ้านที่แท้จริงก็คือเกิดขึ้นเมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะคือบ้านที่แท้จริงเมื่อไรก็ตามที่เราใจมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นะภาษาฝรั่งเรียกเฮียนาว ใจเราก็จะอบปุ่นใจเราก็จะโปร่งเบาไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วไม่แก้นะมีปัญหาก็แก้แต่ว่าอย่าแบกมันถ้าใจเราเนี่ยไปไปอยู่ตรงถ้าตัวเราอยู่ตรงนี้แต่ใจเราเนี่ยไปอยู่ที่งานไปอยู่ที่ปัญหาเนี่ยแล้วกังวลขึ้นมาเนะี่ยนั่นแปลว่าเรากำลังแบกมันยิ่งถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย แทนที่ปล่อยมันผ่านเลยไปก็กลับไปหมกมุ่นคนที่กำมันนึกถึงคนที่ว่าเรานึกถึงคนที่ดา่าเราก็เสียใจโกรธนึกถึงเหตุการณ์ที่เราทำไม่ดีกับพ่อแม่คนรักหรือกับลูกก็รู้สึกผิดนะผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีก็ยังมาทำร้ายตัวเองนะเราซ้ำเติมตัวเองเราทำร้ายตัวเองเนี่ยเพราะใจเราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันเราปล่อยใจไปกับอดีตไปกับอนาคต พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมองกับแปดีนะถ้าเรามองด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อประเมินว่าเราได้บทเรียนอะไรจากมันมีข้อผิดพลาดอย่างไรบางที่ควรแก้ไขอันนี้ดีเมื่อเรามองไปนานค้นระวังแผนว่าเราควรจะบบรับมือกอนาพตดอย่างไรอันนี้เรียกว่าเป็นการมองด้วยสติด้วยปัญญาดีแต่ถ้าเราเป็นนึกถึงอดีตด้วยความหลงอันนี้ไม่ดีเพราะมันทาให้เราทุกข์ ไปนิสัอนาคตยังมาไม่ถึงแล้วไปหลงและทําด้วยความหลงเราก็จะทุกข์เพราะเรากังวลกับมันน ะ, นะพอเช่นเนี้ยตมา ก, ก็คิดว่าคนเราเนี้ยนะแม่ว่าจะอยู่ในที่ใดสถานการณ์ใดเนี้ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในทุกที่นะถ้าเราเนี้ยไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำและเราไม่ซ้ําเติมตัวเด้วยความทุก ท, ที่มีสองข้อนะแต่ว่ามีเวลาไม่พอพราะทีสารผู้จับว่าจริงอยู่นะอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบรำแต่อย่าสยบมัวเมามันนี่คือทางสายกลางความสุขเนี่ยจะเป็นทรัพย์สมบัติความสุขจากลูกความสุขจากทรัพย์ความสุขจากชื่อเสียงเกียรติยศความสุขจากบริษัทบริวารเนี่ยเราอย่าปฏิเสธนะแต่เราก็อย่าไปยึดติดถ้าเราปฏิเสธเนี่ยก็สุดตรงทางนึงเรียกว่าอัตตะกิลมถานนโยคนะ การทรมานตนเนี่ยมันมีหลายความหมายนะความหมายนะึงคือว่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทําอย่างเศรษฐีคนที่ตนหนีทีเหนียวนั่นน่ะผู้เจ้าไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความสุขที่ชอบทําแต่ขณะเดกันก็อย่าไปอย่าไปยึดติดสยบโมมามันเพราะไปยุดติดสยบโมมามันก็เป็นอีกสุดตรงหนึ่งเรียกว่าการสุขการิกานิโยโญทางสายกลางถือว่าไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทําและไม่สยบโมมามัน มีลูกมีทรัพย์มีบริษัทบริวารมีชื่อเสียงก็อย่าไปหลงยึดติดกับมันเพราะว่าอะไรเพราะมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถให้ความทุกขกับเราได้ร่างกายนี้ให้ความสุขกับเราวันหนึ่งมันก็กลับเป็นให้ความทุกข์กับเราก็คือพอมันเจ็บป่วยเนี่ยโอ้โหมันปวดมากเลยมะเร็งก็ดีปอดปอดเนี่คือให้ความสุขกับเรานะพอมันพอมันเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันกลายเป็นให้ความทุกข์กับเราแล้ว เงินท้องให้ความสุขกับเราแต่ว่าพอมันหายนะทุกเลยลูกให้ความสุขกับเรานะโหตอนที่เกิดมานี่โอ้มีความสุขมากเลยนะแต่พอลูกโตไปโรไปลูกกลับให้ความทุขกับเราถ้างระวังจะไม่เป็นนะเพียงเพราะว่าเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่าไม่ไม่ดีอย่างที่เราอยากจะเห็นเขาไม่ชอบเขาไม่ดีนะเพียงแต่เขาไม่ดีใน ในในสเปคของเราแค่นั้นเองนะเขาอยากเป็นศิลปินแต่เขาเขาไม่อยากเป็นหมอนะสำหรับแม่เนี่ยอยากให้ลูกเรียนหมอแต่ลูกอยากจะไปเป็นศิลปินแม่ก็ทุกข์ละไม่ใช่เพราะลูกไม่ดีนะแต่เพราะลูกไม่ลูกไม่คข้สเปคของแม่ใช่ไหมอันนี้ก็ทุกข์ละนะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรที่ให้ความสุขกับเราก็ให้ความสุขกับเร า, า, เราได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปสยบโมเอมันนะ ให้รู้จักปล่อยวางมันบ้างหรือให้รู้เท่าทันมันว่ามันเป็นของไม่ของไม่เที่ยงแล้วมันก็จะต้องเสื่อมสลายไปข้อสุดท้ายที่เจ้าตัสว่าต้องรู้จักแก้ทุกต้องรู้จักกระจัดสายแห่งทุกอันนี้ข้อนี้สำคัญมากเลยซึ่งถ้ากระจัดอย่างถึงที่สุดนะก็คือนิพพานนั่นแหละละสายแห่งทุกที่แท้จริงคือกิเลสคือตัณหามรริสติอวิชชา ซึ่งไม่มีเวลาที่จะพูดนะก็อาตมาก็อธิบายเอาเพียงแค่สองข้อแรกเนี่ยมาให้เราเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อได้เข้าถึงความสุขอย่างที่เราปรารถนาอา่าเราก็พอใช้ใช้เราพอสมควรแล้วนะก็คุณยุติเท่านี้ถ้าใครสงสัยก็ถามได้นะถ้าเรามีเวลา มีคำถามสงสัยสักข้อสองข้อไหมครับหรือว่าถ้ามีเวลานะครับก็จะมาสอบถามอาจารย์โดยตรงได้นะครับในวันสวันนี้นะครับ ก็พี่นครับทุกนี้เรามาที่ไม่มีเปาหาไม่ครกับเราจะไปที่สถานที่คัที่ทําอีที่คนเยอี่คนเยทะปวรไม่ไม่เกิดกรตบรับ